คำว่าคาว่าสภาพของของของสิ่งที่เราในเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีเป็นรูปแบบเนาะชาวพุทธเราเนี่ยเดินตามทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลมีหลายฝ่ายบอกว่าพอมาปฏิบัติกรณีที่จะมาไข้ควรเดินยีชันของศารนาให้ถูก แล้มาปรับพื้นฐานความเข้าใจในทานกุศลสินกุศลภาวนากุศลให้ถูกอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยไปนั่งกรรมฐานแล้วมั่นใจว่าตนเองเข้าถูกทางแล้วก็ขันมากรรมาชมตีว่าแสดงว่ากลุ่มนี้ยังหาตัวเองไม่พบคําว่าหาตัวเองไม่พบก็คือยังหาตัวเองไม่เจอเพราะแต่ก่อนเห็นไปนั่งกรรมฐานกันอยู่หยกๆเข้าคอสอบรมอย่างหนักเลยเข้าทีละเจ็ดวันสิบวัน เอออยู่ต่อมาทำไมมามาหันในทังทานกนุศลหรือศีลกุศลฝากให้คิดลองดูชีวิตของท่านอนาถปินธิกาเศรษฐีชีวิตของท่านอุบาลีขึ้นหาบดีชีวิตของนางวิสาขาพร้อมทั้งบริวารห้าร้อยซึ่งเป็นพระโสดาบันอีกเยอะแล้วอุคขฆ า, า, าบดีลวนหรือท่านวิสาขา ขลับดีทั้งหลายท่านเหล่านี้ล้วนเป็นอุบาสกบสิกาทั้งนั้นและท่านเหล่านี้ที่ยิ่งยวดกว่าพวกเราคือท่านเป็นพระโสดาบันบางท่านเป็นพระสกทาคาบางท่านเป็นถึงพระนาคาด้วยท่านวิสาขาเนี่ยแล้วลองสังเกตดูที่ว่ากิจกรรมของท่านเนี่ยไม่ขาดเลยเรื่องทานกุศลเราลืมเราลืมประวัติศาสตร์ของพายะที่ท่านปฏิบัติกันหรือเปล่า และให้สังเกดตดูนะว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาหรืออุบาลีข้าาบุีทั้งหลายกิจกรรมในทานกุศลท่านแข็งแรงมากและก่อนที่ท่านจะมาเข้าถึงศาสนาของพระชินเจ้าอุบาท่านเศรษฐีเหล่านี้ได้ยินโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านเศรษฐีที่อยู่ในเมืองเวทแควนวัชชียท่านได้ยินเจ้าลิชุย พลนาคุณของพระเจ้าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลเจตเกลเอตแตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมได้วิชาและเจรณาเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธทำเป็นผู้แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาและบัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน พอได้ยินเพียงแค่นี้เพียงกระแสคำพูดขคุณหลายก็สุดใจท่านกวีกวัดจะไปบรรดาพวกครูทั้งหกมีบุรณณกับสปาก็บอกอย่าไปเลยก็ข่มข่มทำให้ให้กระแสใจของท่านลดลงปีติลดลงท่านก็ไม่ไป พอได้ยินเขาสนานาเรื่องพระจริยาคุณของพระผู้มีพระเจ้าว่าบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างนี้ศีลบา ร, รมีเนี่ยขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบกขามาอย่างยาวไกลเลยแล้วมีพัส ร, รยาคุณงดงามอย่างนี้ประดับด้วยพุทธคุณมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นพอท่านได้ยินใหม่อีกปาโมดปีติก็เกินอีกทำท่าจะปลายเวสุิก็ถูกห้ามเบรกไว้อีกพอครั้งที่สาม ท่านไปได้ยินกลุ่มเจ้าลิเชวีกาลังสนทนาพุทธคุณกันอยู่พอได้ยินปุ๊บท่านบอกว่าบรรดาครูทั้งหกจกมีอิทธิพลอะไรกับเราฉะนั้นเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะต้องไปเฝ้าพระบรมศาสดาไปซบศีรษะใต้พระบาทติดพระบาทของพระศาสดานี่ได้เห็นหอันนี้กรณีเงี้ยใหม่ๆให้ดู ว, ว่าครั้งแรกในชันทะไม่มีกาลัง เพราะถูกเบรคอยู่ถูกอันตรายภายนอกเบรคอยู่ทําให้ตัวเองไม่เข้าถึงพระาราชนทรัครั้งที่สองและทั้งๆั้ ท, ที่ได้ข้อมูลของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังถูกเบรคอยู่อีกแต่ครั้งที่สามด้วยแรงฉันทะมีกําลังมากมีความเพียรประคับประคองใจแล้วจิตเป็นสมาธิอุปสรรคภายนอกขัดขวางไม่ได้อุปสรรคภายในไม่ต้องพูดถึงท่านไปเฝ้าเลยแล้วก็ได้บรรลุด้วยทีนี้พอท่านเหล่านี้บรรลุเบลสเสร็จ กิจกรรมในทานกุศลต่อเนื่องมันไม่เคยเว้นการไปเยี่ยมพระเลยวันละสองคนระั้งวันละสองเวลานะนางวิสาขาก็ดีนาถาก็ดนะีเข้าวันละสองเวลาสามเวลาเนี่ยและเข้าไปไม่เคยเข้าไปมือเปล่าเลยนะแปลว่าเคเหล่านั้นเข้าใจทานนกุศลอย่างดีเพราะทานกุศลกับพระราชนตรายนีย่เริ่มเป็นอันเดียวกันได้อย่างในเนี้ยเพราะเข้าใจตัวกุศลไง กุศลจิตตัวบาทรไงตัวกุศลจิตไงสภาพถึงกุศลจิตเนี่ยที่เป็นไปพร้อมกับสัมปยุตคือมีเจตนมีมีเจตนามีเจตกที่มีศรัทธาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานมีเจตน า, ตนาคือความมุ่งมั่นเป็นประธานสภาพอย่างนี้สําคัญกว่าตัววัตถุทานสภาพกุศลเจตนาทั้งหลายเนี่ยที่ประชุมในจิตใจเนี่ยที่มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวอันนี้แปลว่าอะไรหเห็นคุณของพระรัตนตรัยชัด ถามว่าสภาพจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้มีสภาพจิตใจชัดเจนอย่างนี้ยตัววัตถุทานเนี่ยมันเป็นผลของเจตนามันเป็นผลของปัญญามเป็นผลของศรัทธาที่มั่นคงแต่ของเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยเราถูกทําตามรูปแบบก่อนใช่ไหมแต่เราไม่ยอมพัฒนาใจของเราตามไปรูปแบบนะั้นทั้งๆมันดีอยู่แล้วนะรูปแบบเนี่ย แต่เราไม่ยอมพัฒนาจิตใจไปตามรูปแบบและที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติผ้ายอย่างไงทั้งผิดและถูกสารพัดไปหมดของควรแต่แต่สงเราก็เอาไปถวายไม่ควรเราก็าไปถวายประเพณีทำมาอย่างไรก็ทากันตามไปอย่างนั้นใช่ไหมล้ะแล้วเราก็มีทิฏฐิอยู่ข้อนึงว่าก็ปู่ยาตายายทำมาเหมือเห็นไหมว่าจริงๆแล้ ว, วาขาดอะไรเนี่ยขาด ความรู้ขาดความเข้าใจขาดความรู้ขาดควาที่ที่นี้สภาพปุกไอพฤติกรรมเราก็ไม่เปลี่ยนหรอกคือสภาพจิตใจก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันจะเป็นศรัทธาที่ไม่ได้มีปัญญามาเกื้อกูลเนี่ยเป็นศรัทธาที่ยังคลอนแคลนมากพอไปได้เห็นอะไรมากระทบกระทั่งนิดเดียวเนี่ยน่ะเข้าน่ะเข้าตัวสภาพของปัญญาก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยก็หลุดก็หลุด นั้นศรัทธาที่จะมีความมั่นคงนั้นศรัทธาจะต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความเข้าใจที่ถูกต้องไอความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะทำให้ศรัทธานั้นมีความแนบสนิทในพร a t h n a tray ถึงแม้จะมีสิ่งใดๆมากระทบกระทั่งอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่สามารถถอนศรัทธาขตนเองออกจากพระ t h n a tray ได้เลยเข้าใจนะตรงนี้นะันั้นสภาพที่จะเป็นได้กุศลแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอยู่ตรงที่ว่าสภาพจิตใจเนี่ย เมื <polit> k k ่อเป็นไปกับกุศลแล้วตั้งมั่นในทานศีลหรือตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแล้วทานกุศลที่จะมีผลมากหรือน้อยอยู่ตรงที่ทานกุศลของท่านผู้นั้นเนี่ยตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยหรือยังถ้าตั้งมั่นเขาบอกว่าถ้าไม่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่ตั้งมั่นในเช่นไม่ตั้งมั่นในเจตนาศีลเนี่ยไม่มีศีลเป็นตัวพระรัตนตรัยควบคุมอยู่เลยเนี่ย ทานกุศลก็มีผลน้อยนั้นจึงมีจะต้องมีตัวกุศลศีลเนี่ย เ, นเนนยเป็นตัวขับเคลื่อนมีพระรัตนาไตรเป็นตัวขับเคลื่อนในการในการสละในการให้อะไรเป็นอุปสรรควิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใช่ไหมจะเป็นปัดเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาทําไมเราจึงศรัทธาได้ไม่ต่อเนื่องเพราะตัววิจิกิจฉานี่แหละตัวลังเลสงสัยนี่แหละ ทำไมจึงเกิดสภาพจิตที่ไม่เชื่อมั่นเพราะไอ้ตัววิจิกิจฉาสงสัยอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีจริงหรือไม่ถ้าพูดถึงพระจริยาคุณมีจริงหรือไม่สงสัยเลยพระเสด็จละคุณมีจริงหรือไม่พระพุทธคุณทั้งหลายมีจริงหรือไม่สงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยไอต้ตรงนี้ทาลายศรัทธาสงสัยว่าหากปฏิบัต ตามทานกุศลศีลกุศลและเดินตามภาวนากุศลแบบเนี้ยจะพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่นี่สงสัยข้อปฏิบัติไปนึกว่าเอ๊้การให้ทานเนี่ยเขาก็ให้กันทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ขัดเกลารเลยเพราะเราไปให้ตามรูปแบบถ้าให้ที่ถูกต้องจริงๆตัวทานกุศลกลับกลายมาเป็นอนุสติในการนํามาเจริญอย่างต่อเนื่องและคารวะเนี่ยจเจริญอ น, อนุสติด้านทานดีที่สุดเพราะอารมณ์ที่หยาบ ก ว, กว่ากว่ากรรมฐานอื่นอารมณ์อยากกว่ากรรมฐานอื่นเพราะเห็นได้ง่ายและมีวัตถุให้ปรากฏและลึกถึงนกน้อมถึงสภาพจิตใจที่สละดได้ใช่ไหมลองแต่เราไม่เคยเอามาละลึกกันโดยความเป็นชาคานุสติงไงเอามาลึกให้เกิดจนสมาธิและเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดสัจจ พุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกอนณิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตัดสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายย่อมเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาผลิิพานทําอย่างหนึ่งคือในที่นั้นมีจารคานุสีด้วยก็คือเอาทานใอกุศลมาะ ล, ลึกก็เป็นไปเพื่อผลิพาน จึงอยู่ตัวชั้นทานกุศลอย่างเดียวไม่สามารถไปพานิพนานได้แต่ตัวเจตนาทานทั้งหลายเอามาล ะ, ละลึกอย่างต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเดินวิปัสสนาญาณต่อละพน้นทุกข์ได้ทั้งรายละเอียดมันเยอะแต่ประเด็นตอนเนี้เราแค่จะเข้าถึงสถานคมในชั้นของการฝึกสละนี่ก็ยังย า, ยากอยู่แล้วตอนเนี้นะยังยากอ ย, กอยู่เลยอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมของอุบาสกบาสิกาเนะแต่เผอิญว่า ในยุคปัจจุบันนี้การกระทําเนี่ยมันต่างจากยุคสมัยของพุทธการและไม่มีใครจําลองรูปแบบของพุทธการมาทําให้เห็นจริงๆได้กิจกรรมของชาวพุทธกวานนี้ก็เลยสเปด ส, สปะไงนั้นมันจะต้องสามารถจําลองว่ากิจกรรมของพุทธบริษัทเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเขาจเจดินทานกุศลอย่างไงและการเดินทานกุศลอย่างไงที่เดินทานกุศลอยูอย่บนฐานของมีสารณคมชัดแล้ว ไม่ใช่เดินโยานกุศลอยู่บนฐานที่ไม่ได้มีสาระนะอะไรเลยใครมาเลี่ยไรยพระป่ากระถินอ้าปลายอ้าปลาฉันทำทั้งนั้นแหละใครมาขอร้องทำเลี่ยลาดหมดแล้วจะผีดจะถูกก็ทำขาดปัญญาด้วยทำไม่พระต้องอาบัติก็ทำไม่สนใจนะเรื่องของท่านไม่เหลือเรื่องของเราเนี่ยเราได้บุญพอแล้วโอ้โหผักใสเลยส่งพระก็เจ็บปวดใช่ไหมล่ะ เราไปฆ่าท่านฆ่าทำไมพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำตัว อ, อย่างในเรื่องดพบน้ำนะคะที่จะเห็นชัดว่าเราเอย่างแม้แต่การอับน้ำเราได้เจริญศีลไม่ไม่เบียดเยียนสัตว์ในห้องน้ำหรืออะไรต่าง น, นี้ถ้าถือว่าเราถวายทางแบบนี้นเนี่ยการเจริญทานอย่างไรที่จะลดทีเดียวทั้งตัวอย่างนันเป็นกะมาถานได้เลคะเสื้อาสองศรัทธาเนี่ยนะเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงภัยภายในคือราคาโทสะโมหะได้จริงมีสภาพที่ศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมสามารถกำจัดภัยทําให้พ้นจากกัณดาและพ้นจากวัฏทุก์ได้จริงสภาพที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในภาริยสงฆ์ที่เป็นเครื่องกำจัดภัยทําให้ส ก, การะแม้น้อยนิดที่เราจะให้นครั้งนี้มีผลมากมีอนิสงฆ์มากอย่างภัยบูนอย่างแท้จริงไอสภาพที่มีความเชื่อมั่นในวั่นไหวและ สภาพที่เชื่อแน่นอนต่อวัตถุที่ควรเชื่อว่าวัตถุนี้มีสภาพอย่างนี้จริงเช่นพระพุทธเจ้านี่มีคุณอย่างแท้จริงพระธรรมมีคุณอย่างแท้จริงพระสงฆ์มีคุณอย่างแท้จริงเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วจะเป็นปัจจัยเราพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกได้อย่างแท้จริงทีนี้ ทมที่เกิดพร้อมกันกระตนเนี่ยก็มาพิจารณาว่าสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ระลึกว่าเมื่อมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วสภาพจิตนั้นเกิดความผ่องใสไหมจิตเกิดความผ่องใสหรือขุนมัวถ้าสภาพจิตเกิดความขุนมัวในขณะนั้นศรัทธาไม่เกิดจริงเพราะถ้าหากศรัทธาเกิดจริงแล้ว ศรัทธาจะต้องกำจัดความคุณมัวของจิตใจความเศร้าหมองของจิตใจความไม่เชื่อมั่นในจิตใจออกไปได้แต่ถ้าหากสภาพจิตใจนั้นเนยะมีความพ่องใสเหมือนแก้วมันีอยู่ในน้ำแก้วมันีนะ่ะจมลงไปในน้ำน้ำก็จะใสแล้วลองตรวจดูทำไมใจเราเราจึงไม่รู้ ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะเราก็จะไปให้ทานอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทำไมใจมันเศร้าหมองอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่เชื่อมั่นในคุณของพระราตนาไตรเราไม่เห็นว่าสง์ที่เราจะไปถวายเนี่ยเป็นวัตถุที่เลิศเป็นเนื้อนาบุญที่เลิศเรายังไม่เห็นคาเรายังไม่ตระหนักในสงคำว่ า, าพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆค า, าวตาเนี่ยการเคารพใน พระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ยังไม่แข็งแรงอันนี้ก็ปรุงแต่งจิตใหม่ทําฉันท้าให้แรงกล้าขึ้นระดมประคับประคองทําความเพียรให้เกิดเพื่อให้จิตเป็นสมาธิทําวิริยะให้แรงกล้าขึ้นบากบันเพียรพยายามประคับ ป, ประคองใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมัน่นจิตตาก็คือจดจ่อคิดในเรื่องนั้นน่ะเพื่อให้จิตเป็นสมาธิและปัญญาก็สอดส่องเพื่อจะเข้าใจเห็นคุณของหมู่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ โดยเฉพาะเห็นอริยสงฆ์พอคิดอย่างนี้ก็ตรวจดูสภาพจิตใจผ่องใสและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการตัดสินมีความเด็ดเดี่ยวเองก็คือศรัทธาก็จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทำให้สภาพธรรมที่เกิดความอุดมเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวในในการเชื่อในคุณของเบร ร, ตรัตน์นัตถมีบรรยาประกอบเนะเหมือนอะไรเหมือนทหารกล้า ทหารกล้าเนี่ยลงน้ําที่มีสัตว์ร้ายมีจระเข้เป็นต้นก็ไม่กลัวนะคือทหารกล้าเนี่ยเข้าไปยืนบนฝั่งเห็นพวกจระเข้สัตว์ร้ายในน้ําคนก็ลีลีรอร อ, อไม่กล้าลงถ้าศรัทธาเกิดขึ้นสภาพต้งศรัทธาจะเด็ดเดี่ยวคือคนบางคนไม่กล้าให้ไม่กล้าสละแต่สภาพที่ศรัทธาพอใจผ่องใส พอสภาพจิตใจทําใจให้ผ่องใสตัวเองก็ผ่องใสด้วยประดุดแก้วมณีอยู่ในน้ําแล้วต่อมาความกล้าก็เกิดขึ้นก็มีความเด็ดเดี่ยวกล้าชนะความตนีกล้าชนะความโลกกล้าชนะความโกรธความโลกโกรธหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปอุปมาเหมือนเจะเขียในน้ําก็สามารถ นำพากระแสจิตใจและนำรู ป, ปกายหรือรูปขันท์ต่งหของตนเองนั้นให้เด็ดเดียวมุ่งมั่นจิตเป็นสมาธิเด็ดเดียวในการเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่ามีผลมากมีเอ็นะสง์มากความไม่คุณมัวความผ่องใสก็เกิดขึ้นเมื่อได้ปารภพระพุทธเจ้าปารภพระธรรมและกปารภพระสงฆ์ผลก็คือการตัดสินใจเชื่อในเหตุที่คนเชื่อก็เกิดขึ้น อะไรโน้เป็นปัจจัยเนี่ยทําให้ทําให้เรากล้าที่จะสละเราเปล่าลบอะไรรู้ไหมเราปรารถนาเป็นพระอริยะใช่ไหมโลกฉะนั้นเมื่อปรารถนาเป็นพระอริยะเนี่ยปรารถนาจะพ้นทุกเนี่ยแล้วปรารถนาจะขัดเกลากิเลสแล้วก็ดูสภาพใจของเราที่ที่มันยังยึดติดอะไรอีกเยอะแยะเหลือเกินเนี่ย เหนไมยึดติดอะไรเหลือเกินดังนั้นที่เราให้ทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ไอ้พอกิเลสเนี่ยมันทําลายยากมันเนื่องเลยวัตถุชิ้นนี้ยมันห่วงมันรักมันยึดติดฉะนั้นก็กล้าสละไอ้วัตถุที่กิเลสไปยึดก่อนนั่นแหละสละไอสละยังไงลีน้อที่จะไม่คิดทวงคื น, เ, นเอาสละบูชาพระรัตนตรัยนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะผู้ให้คิดถึงเมื่อไรใจก็ผ่องใส เพราะเป็นวัตถุที่มีค่ามากใช่ไหมล่ะเป็นวัตถุที่เลิอดที่ประเสริฐที่สูงสุดที่บริบูรณ์ที่สุดฉะนั้นเวลาบูชาพระรัตนตรายในใจจึงผ่องใสเราคิดถึงคุณผู้ให้ก่อนอย่างเราเนี่ยต้องให้ผู้มีคุณก่อนแต่ไปให้คนที่ไม่มีคุณเดี๋ยวเหอะใจก็หวงมันไม่ได้ผ่องใส จ, จริงหรอกให้แบบมีข้อแม้ใช่ไหม ให้แล้วยังหวังว่าเขาจะมาตอบแทนเราให้แล้วยังหวังว่าเขาจะมาชื่นชมเราอยากกันนั้นเลยเราจะให้บูชาเลยบูชาพระรัตนตรัยทั้งหมดเหล่านี้ก็คือว่าการครบพระพุทธเจ้านั่นแหละต่การครบสายบุรุษนั่นแหละทาให้เรา ไ, ได้ข้อมูลและการฟังพระธรรมถ้ายังไม่นั่นก็คือฟังพระธรรมเกี่ยวเรื่องทานนักถ่ายเยอะๆหรือพุทธคุณเยอะๆฟังนี้จะเกิดจิตใจชุ่มชื่น่ะจนสามารถกระตุน้นเตือนความคิดตนเองได้ แล้วประการต่อมาคือทรรมโยนิสโสมนสิการนี่เกิดขึ้นเป็นผู้ฉลาดในการคิดเหตุและผลอะเอางี้นะยำซึ้งรวยเนืให้ดีนะ น, นี่พูดเรื่องทานมาเยอะแล้วนะวัตถุทานภายนอกสรุปแล้วใช่ดินน้ำไฟลมไหมใ ช, ใช่ไหมบ้านหลังนี้สรุปแล้วคือดินน้ำไฟลมใช่ไหมเนี่ยแต่พอมารวมกันแบบนี้เบเศ็จก็สมมติเรียกว่าบ้าน ฉะนั้นถวายบ้านก็คือถวายอะไรดินน้ำไปลมที่เรียกว่าบ้านนี่เองเห็นไหมก็คือถวายดินน้ำไผลมถามว่าจิตที่คิดจะถวายก็คือกลุ่มนามาทำใช่ไหมล่ะทำไมเราจึงต้องสละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความรักเป็นที่ตั้งของความยึดติดทำไมเราต้องสละ บูชาพระรัตนตรัยเพราะเรารักพระพุทธเจ้าเพราะเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าจะมีผลมากมีอานิสงส์มากคำว่าผลมากอานิสงส์มากเราต้องการผลอะไรกันแน่ผลคือการดับวัตถุทุกไม่ใช่ผลคือการได้บ้านแต่บ้านเนี่ยมันได้อยู่ไหมถ้าทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์เนี่ยมันทรัพย์มันไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าไหมมันไหลอ ย, อยู่แล้วแต่เป้าหมายของเราหรือเปล่า ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดทีจะกลายเป็นคนยึดติดอย่างดีก็ได้เป็นแค่ผู้นําประเทศแล้วก็ยึดติดกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมล่ะพอได้ทรัย์ได้บริวารเยอะๆเบีดเวสร็จก็นั่งมาเกาะซับเกอดบริวารอย่างนั่นแหละฉะนั้นเป้าหมายจริงๆถึงว่าเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นจากวัฏจะทุกแต่การพ้นทุกมันพ้นได้ง่ายไหมไม่ได้ง่ายๆนะความคิดไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเราจะพ้นทุกปุ๊บปั๊บจะพ้นทุกนะแต่อัธยาศัยที่ตั้งไว้นี่แหละที่ตั้งไว้ถูกนี่แหละ ฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าการฟังจนได้ข้อมูลแล้วกลางเป็นผู้ฉลาดคิดว่าแท้ที่จริงก็คือดินน้ำไปลมสรุปก็คือตัวที่สลดจริงๆอะไรถูกสละกันแน่วัตถุถูกสละหรือกิเลสถูกสละกิเลสต่างหาที่ถูกสละเพราะกิเลสเป็นสำคัญวันเป็นบ้านก็เลยสละกิเลสไอตัวยึดติดนั้นน่ะออกไปจากกม ล, ลสันดานจากจิตใจเสีย แล้วก็เห็นสภาพความผ่องใสของจิตใจที่ถูกสลักพบธรรมชาติเนี่ยการรบกับการให้เนี่ยมันเสมอกันนะการรบกับการให้เนี่ยเสมอกันนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นตอนนี้เราก้าสลักอวัยวะไหมแล้วก้าสลักชีวิตเป็นทานกุศลไปแล้วไม่กล้าเลยเห็นไหมเพราะว่ากิเลสมันยึดเป้าหมายทั้งหมดที่เราต้องสลัไปเรื่อยๆเืๆเป้าหมายที่สุดจริงๆเน่ คันนี้ต้องบริจาคไหมเนี่ยบริจาคไหมถ้าไม่บริจาคต้องทิ้งไหมต้องทิ้งอยู่แล้วแต่เราไม่เคยคิดบริจาคเลยใช่ไหมทำไมไม่ตรึกว่าจะสละทั้งหมดไว้ก่อนแล้วอ้าเดี๋ยวเวลาลมหายใจจะขาดเนี่ยไม่สละ ก, ก็ต้องทิ้งไหมต้องทิ้งไม่มีทางรอดแต่คนที่เขาฉลาดก็ทิ้งก่อน่ะเขาทิ้งก่อ น, เ ข, อนเขาสละ ก, ก่อน สลาก่อนพอสละถวายเป็นพู้ถบูชาเบีดเสร็จแล้วเรานี่มอบกายถวายชีวิตเบียเสร็จแล้วนะ่ยเขาสละจริงนะยอมสําูรณ์นะพอสละเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในฐานะที่ประคับประคองเพื่อให้เป็นไปกั้วุล่ลไม่ได้สําคัญเลยว่าเป็นของเราสําคัญว่าเป็นของเ อ, อเราถวายพระรัตนตรไปแล้วแต่ไม่ใช่ถวายแบบมีเงื่อนไขนะ ถวายแล้วยังให้ความโกรธมาเกิดในกระแสะชีวิตนี้อยู่อย่างนี้มีเงื่อนไขไหมยังมีเงื่อนไขอยู่จริงๆก็ถวายแล้วก็ฝึกสลักว่าเราถวายนะเราถวายจริงๆนะเราไม่ยึดติดในกระแสะอัตภาพละร่างกายเราจะถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าบอกยังไงตามนั้นใช่ไหมล่ะคาว่าเป็นธาตุเนี่ย ข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายยอมสำรวยเข้าใจคำว่าทาตไหมเข้าใ จ, าใจาาไหมทาตคือผู้ซื่อสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าจงรักษาศีลก็ต้องมีศีลอย่างจริง เมื่อพุทธเจ้าบอกให้เจริญสมาธิก็ต้องเจริญสมาธิพุทธเจ้าบอกให้มีปัญญาก็ต้องมีปัญญาจริงๆถ้าท่าคนไหนไม่เดินตามพุทธโอวาทคนคนนั้นเป็นท่าแต่เพียงชื่อแต่ในใจคิดกระบฏอยู่ตลอดเลลวลา <c oughs> เข้าใจยางใจคิดกระบดตลอดเลลวลานี้พุทธเจ้าห้ามก็ยังมาทําไม่ใช่ท่าจริงนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่อะไม่ไม่ถูกใจชันน่ะ ฉันจะทําอีกอย่างเพราะทําแบบนี้มันถูกใจฉันก็ต้องย้อนถามว่าแล้วใครเป็นทาตุใคร <c oughs> ถ้าเป็นทาตุพระเจ้าเราก็ทําตามพระเจ้าถ้าไม่ทําตามพระเจ้าเราจะเป็นทาตของใคร <c oughs> กิเลสจะมาบงการกิเลสจะมาเป็นนายเราแทนเอาคุณเห็นอย่างนี้สิเห็นนี้พุทธะสหัสมีทาโซพุทโธเมสาเมกิสโลพุทโธทุกขสัตขาตาจวิทาทายิหิตัสมี พุทธศาสนาหนึ่ยาเทมิสรบรันชีวิตันจิตทงังอยู่ไหมเข้าเจ้าเป็นทา่าของพุทธิย่าไหมเราท่องทุกวันไหมท่องเป็นจริงๆริงเปล่าตั้งหนักก็เป็นหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดตอนที่เราสวดตรงนี้เราคิดว่าเราจะเป็นทา่าจริงๆริงหรือเป็นทา่าเล่นๆจริงหรือดูหน้าตาเชื่อไม่ค่อยจริงเลยเนี่ย <Huh? S 2> อะไรนะเออต่อไปต้องให้เข้าถึงเพราะการเข้าถึงสารณะเนะข้ามุ่งหมายถึงการเข้าถึงด้วยไหมการรู้การเข้าใจด้วยข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าถวายจริงๆริงหรือเปล่าหรือถวายแบ บ, บเงื่อนไขถ้าหากว่าถวายแล้วก็ต้องยอมรับ แต่ไม่ใช่ยอมจำนนแบบประเภทที่โอ้โหไปไม่เป็นนี่เราเห็นว่าถ้าเราไม่มาสมาทานเป็นธาตุพุทธเจ้าชีวิตเราวิบัติแน่เราวิบัติแน่เราจะถูกกิเลสบงการชีวิตของเราจะต้องระหกละเหินคนที่ไม่เป็นทาตุพุทธเจ้าก็มีแต่สัตว์นรกไงคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไงคนที่ไปเกิดเป็นเปรตไงคนที่ไปเกิดเป็นสุรกายนี่ไม่ใช่ทาตุพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยไม่ยอมสมาทานเป็นทาตจริงๆ คนที่เป็นมนุษย์บาบา่าบอดหนวกทั้งหลายเป็นต้นที่ไม่ถึงสรารนคมคนที่เป็นมิจฉาทิถีคนที่ไปเกิดอยู่ในอรูปรพมปเกิดอยู่ในสัญญาสตรพมที่มีความมิจฉีทั้งหลายกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ยอมเป็นทาสพระเจ้าเขาเลยยอมเป็นทาสกังกิเลแทนเราบอกอุลไม่เอาแล้วเราจะไม่ยอมไปเป็นสัตว์นรกอีกแล้วเราจะไม่ยอมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกเราไมยอมเป็นเลเพราะว่านั่นคือไม่ใช่เป็นาาทาสพระเจ้าจึงไม่ปลอดภัย เรารู้แล้วว่าจะเป็นทาสของใครถึงจะปลอดภัยใช่ไหมก็รีบมามอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้าประธรนมาส่์น่ากลัวไหมล่ะคนที่ไม่เป็นทาสพระเจ้าเจ็บปวดนะที่ผ่านมาเราไม่ยอมเป็นทาสที่แท้จริงเราเป็นทาสแบบกระบทเนี่ยใช่ไหมล่ะบางทีทำดีทําท่าเอาไปเป็นทาสชั่วระยะหนึ่งพอสักพักหนึ่งเราก็ไปให้กิเลสบงการกิเลสพาเราไปไหนอบายทุกทีวิญญาณทารุณพระพุทธเจ้าพาเราไปไหน ไป น, นิพพานพ้นทุกข์ตอนนี้ต้องชัดเจนหรือยังว่าเราจะเลือกข้างไหนประกาศออกมาว่าจะยอมกากิเลสหรือยอมกบาคุณยะยอมจริงจริงหรอเปล่าเอาวาจายอมแล้วดูกายกรรมยอมไห ม, มถ้ากายกรรมยอมกายกรรมต้องเป็นใบกระสีนไหมถ้าวาจายอมวาจายต้องเป็นใบกระสีนไหมแล้วใจเลยยอมไหม ใจในะต้องไม่โลภด้วยนะต้องไม่โกรธต้องไม่มัวเมาร่ำหลงถ้าในขณะที่ความโลภเกิดขึ้นตอนนั้นชื่อว่ายอมไหมไม่ยอมถ้ารู้ว่ามันเกิดพลาดขึ้นมาต้องเรียกสมาทานในใจใหม่ไห ม, มแล้วจะไปกินข้าวนี้จะกินด้วยความโลภหรือความโกรธหรือความไม่ใช่เดี๋ยวตอนกินข้าวเดี๋ยวขอเป็นธาตุของกิเลสก่อน <c oughs> พอกินข้าวอิ่มแล้วก็มาสมาทานตาใสา ขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าท่องกันอยู่นั่นเลยก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ที่ฝากให้เราทั้งหลายที่ยังยังเวียนไหวกันอยู่นี่นะเพื่อมาณนึกอย่างนี้นะว่าพอนึกนึ ก, น, กนึกเนี่ยจริงจที่เอามามาพูดทั้งหมดเนี่ยที่พูดพูดไปคนที่ห่วงอามาห่วงมากที่สุดคือตัวเองนะ อามาห่วงตัวเองทั้งหมดที่ามามากล่ารว่ารมก็ก็ต้องการอยากกระตุกความคิดของชาวพุทธที่ไปลืมไปลืมกุศลชั้นพระราธนาไตรแล้วแล้วมันเป็นความเจ็บปวดเมื่อเราเห็นเราบางทีเราก็เห็นคนบางคนที่ที่วิ่งเลยคำสอนกันจนมองไม่ออกนะ ตรงนี้ก็ให้สังเกตนะว่าถ้าเราถ้าเราไม่มั่นคงในสารณาคมอย่างอื่นมันจะหลุดลุยหมดล้บางทีเราก็จะกระทําสิ่งใดๆที่มันมันออกนอกลู่นอกทางที่มันไม่ใช่คําสอนเราก็กล้าที่จะทําฉะนั้นตรงนี้ก็คือถามบอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในพุท ธ, ธรัตนธรรมรัตนและสังขรัตนชัิ แปลว่าการเข้าไปการเข้าถึงเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปศึกษาและปฏิบัติการเข้าไปศึกษาและปฏิบัติเนี่ยกิริยาอาการที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติเนี่ยจึงเกิดความรู้เกิดความเข้าใจและได้รับผลของการปฏิบัติคือพ้นทุกข์ได้ตามระดับต่างๆได้จริงอันนี้คือการผลเข้าถึงกสารนคมที่ชัด ทีนี้กรณีการเข้าไปเนี่ยการเข้าไปยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้เราน้อมเข้ามาในการที่จะฟังนะอันนี้การศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้ก็คือการฟังเมื่อเราฟังแล้วเกิดศรัทธาเชื่อมั่นมากขึ้นอันนั้นแปลว่าการปฏิบัติมันเดินไปด้วยนะการปฏิบัติเดินไปด้วยในขณะนั้นทีนี้กรณีแห่งตัวกุศลแลศีลเนี่ยกุอย่าลืมนะว่าการถึงสาธรคมก็คือกุศลจิต ที่มีศรัทธามีเจตนามีปัญญาเป็นประธานลําดับแรกนะ่ยมีเจตนาตั้งใจแล้วต่อมาเมื่อมาฟังเกิดศรัทธาพอศรัทธาเกิดแล้วต่อมาก็เกิดความรู้พอเกิดความรู้ความเข้าใจไปเสร็จนี่กิริยาก็น้อมเข้ามาแล้วทีเนี้ยน้อมเข้ามาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้ยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปด้วยการขัดเกลาตัวเองทีนี้กรณีแห่งตัวกุศลเหล่าเนี้ย เมื่อเมื่อเรามาเฝ้าพระเจ้าเฝ้าพระธรรมและเฝ้าพระสงฆ์หรือเข้าหาพระสงฆ์เบีเสร็จต่อมาพอเริ่มรู้พระธรรมคาสอนเบเสร็จพระพุทธเจ้าก็เริ่มบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายปรารถนาจะพ้นจากอบายภูมิและพ้นจากวัฏทุกพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้ากาประทานกุศลศีลที่เขาเรียกปาติโมกสังวรศีลให้คําว่าปาตีเนี่ยนายยงทั้งหลายก็แปลว่าตกไป อย่างพวกสัตว์โลกทั้งหลายเราเรียกปาตีบุคคลคือบุคคลที่จะต้องตกไปในใบภูมิและตกไปในสังสารวัตรเขาเรียกเรียกปาตีบุคคลพระเจ้าก็เลยมาประทานปาตีโมกขสังวรศีลคือศีลที่เป็นตัวประคับประคองให้สัตว์ทั้งหลายจะได้ไม่ตกไปในใบภูมิจะได้ไม่ตกไปในสังสารวัตจะได้พ้นจากการเป็นปาตีบุคคลหรือแปลว่าบุคคลที่ตกไปในใบภูมิ ถ้าใครไม่มีสาระคมระดับชั้นศีลมาเป็นตัวหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตรักษากระแสชีวิตตนเองแล้วชีวิตก็ไปผิดรูปผิดทางแล้วชีวิตก็ต้องตกไปอยู่ดีฉะนั้นถ้าปรารถนาไม่ต้องการให้ตนเองเนี่ยตกไปในใบภูมิคือการตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตและสุรก า, ายหรือตกไปในสังสารวัตที่เจ็บปวด ก็จงตั้งมั่นในตัวกุศลศีลประดุดดังเรือเนี่ยรียบตะเกียดตะกายขึ้นมาบนเรือนี่เสียถ้าไม่รีบตะเกียดตะกายขึ้นมาบนเรือที่พระเจ้าประธานให้นี่นะชีวิตของเราก็จะไปอย่างหน้าอนาดก็คือจะต้องตกลงไปและเป็นปาฏิบุคคลอีกเป็นบุคคลที่ต้องตกไปในใบภูมิแล้วตกไปในสังสารวัตรเราก็เห็นอยู่ว่าสัตย์รดาฉานเต็มไปหมดนั่นคือปาฏิบุคคลนะนั่นเขาตกให้เห็นแล้ว เราเห็นหมดเราเห็นปลวกเราเห็นตุ๊กแกเราเห็นจิงจกเราเห็นยุงเราเห็นอบอายศาตร์เยอะแยะช้างมาวัวควายเต็มไปหมดนั่นคือปาฏิบุคคลที่เขาตกไปในใบภูนเรียบอบอายพูนเรียบร้อยแล้วอันนั้นปรากฏว่าถ้าเราไม่มีตัวกุศลศีลเราก็จะตกไปแบบเนี้ยน่ากรุณาไหมว่าเพราะไม่มีศีล น, นี่แหละเพราะไม่ได้เข้าถึงสารา น, นี่แหละเราจะต้องตกไปแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการพ้นทุกข์นะแค่จะพ้นอบอายพูนก็ยากแล้ว แค่จะเพินอบายภูมินี่ก็ยากแสนเข็นแล้วมันจะต้องตกไปในอบายภูมิแน่นอนเนี่ยเพราะความชั่วทั้งหลายที่ทํามาก็ไม่ใช่น้อยในอดีตพบและในปัจจุบันนพบกรรมเหล่านั้นที่ยังไม่ให้ผลก็มากถ้ามันตามมาเบียดเบียนกระแสชีวิตเราเมื่อไหร่ที่สุดจริงๆเนี่ยมันก็พาลงอบายภูมินะลูกน้องของสุพรหมเทพปรบุษเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะห้าร้อยนะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เนี่ย ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กาลังเก็บดอกไม้กันเพลินๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์นะกำลังเก็บดอกไม้กันเพลินๆสนุกสนานด้วยโลภะจิตเนี่ยโด้ดยโมหะจิตเนี่ยแต่ตายแล้วลงเอเวจีมันทําให้รุนแรงกันขนาดนั้นจนสุพรมเทพประมุขเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องรีบมาเฝ้าพระเจ้านะเพราะตัวเองก็จะตายเนี่ยนี่แปลว่าอะไรอ่ะกรรมบางอย่างเนี่ยที่มันตามไม่ผลมันเป็นกรรมได้ดี มันรอจังหวะว่าเวลาใดกระแสจิตใจของเราตกจัดสารณะเวลานั้นบาปมันจะแทรกให้ผลดันทีนี่ไงความมั่นคงในสารณะคมจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดถ้าจิตเราเป็นบาปนะอุศโรกรรมมันเริ่มได้โอกาสในช่วงนั้นมันก็ให้ผล คนบางคนเห็นไหมว่าไม่สามารถทําจิตตนเวเองให้เป็นกุศลได้เพราะพัฒนาฝึกหัดจิตไม่เป็นบาปก็ให้ผลตลอดแหละแต่มันเป็นบาปที่ไม่แรงเท่าไหร่เช่นทําให้เสียทรัพย์เห็นไหมในปัจจุบันท่านพูเนี่ยทําให้เสียทรัพย์ทําให้ทะเลาะเบาะแวงทําให้เป็นหนี้เป็นสินทําให้มีคนดา่ามีคนตำหนิได้ไฟไหม้บานรถโดนชนเนี่ยเพราะตอนนั้นสภาพอากุศลมันเกิดกับตัวเองมากบาปที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็ให้ผล เพรไม่รู้จากการรักษาจิตของตนเองให้ให้เป็นกุศลที่ตั้งมั่นในกัลยาณคมตั้งมั่นในกัลยาณฑรไตรเงี้ยถ้าใครฉลาดตรงนี้เบียเศ็จก็าสามารถบรรเทาบาปที่หนักๆได้ใช่ไหมถ้าบาปนั้นจะให้ผลแรงก็ ก, กลายเป็นเบาได้ด้วยเงี้ยเพราะสภาพที่เราไม่ยอมเปิดช่องให้บาปให้ผลนั้นตรงนี้ก็ให้นึกถึงสติสัมปชัญญะของเราที่อ่อนแอเพราะการไม่ตั้งมั่นในสารณาคมเนี่ยมันเป็นความเสียหาย จากนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยเห็นอะไรเราเห็นพระมหากรุณาธิคุณว่าไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าพระเจ้าหลอกและไม่มีธรรมะใดๆที่จะยกกระแสชีวิตของเราพ้นจากกันดานได้เท่ากับพระธรรมหลอกและก็ไม่มีสิ่งใดๆที่จะเป็นทักษินายบุคคลที่เลิศและมีผลมากเท่ากับหมู่สงที่เราน้อมถูกต้องแล้วคิดเป็นแล้วอันนี้แปลว่าเราเข้าใจสารณคมได้ชัด การเข้าใจสารนาคมชัดแล้วเราก็นอบน้อมในสารนาคมอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็ตั้งมันในตัวกุศลศีฉะนั้นการปฏิบัติตามจารีศีละวาลีศีลนะนั้นเป็นร็อปปีป่ย่อยที่เราจะต้องมาศึกษาแต่ละประเด็นซึ่งเป็นรายละเอียดนะบางทีเราพูดแบบรวมๆอย่างนี้เหมือนจะเหมือนจะทําถูกนะแต่พอไปเจาะแต่ละประเด็นอาจทาไม่ได้ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดด้วยเช่จนจะเจาะประเด็นว่าจะวางใจยังไงเวลาจะปฏิบัติในการกวาดบ้านถูบ้าน จะเจริญกุศลศีลอย่างไงชื่อว่าการปฏิบัติไม่ตกดุ้ไม่ลุกไม่ล่วงไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราจะนวดเฟ้นบีบแข้งบีบขายบิดามานดาเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่จะเป็นกุศลศีลในการที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านและดูแลท่านเนี่ยจะทํายังไงให้เป็นกุศลศีลมันไม่ใช่แค่รูปแบบแต่การวางหน้าที่ทางใจให้เป็นศีลได้จริงการปฏิบัติมันถึงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าลืมการปฏิบัติในคำสอนพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นไปแบบกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นนะ มันเป็นไปได้ทุกบริบททะลุทะลวงทุกจุดแม้การอยู่วัดก็ได้คุณธรรมระดับในเป็นต้นก็ว่าไปตามมันเลยนี่สงู่เวลาหมดเวลา